191จิตวิญญาณที่มีภาวะเป็นเทพหรือเทวดาธรรมะคือความสำเร็จของอาพิสังขารที่ต้องอาศัยบุญเป็นอาวุธอย่างสำ ม, มาจิธิจริงๆตั้งแต่ปุญญาพิสังขารไปจนบรรลุอาปุญญาพิสังขารแล้วจึงจะสั่งสมเจริญเป็นอาเนชาพิสังขาร ต้องทำปุญญาภิสังขารก่อนจนกระทั่งมีผลสำเร็จเป็นอาปุญญาภิสังขารแล้วก็รักษาผลด้วยอาเนชาพิสังขารกันต่อไปในสังขารที่ตนพ้นอวิชชาตราบธรรมกาละปรนิพานเป็นประโยสารเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติธรรมให้เกิดพลธรรม ก็ต้องทำการเกิดให้แก่จิตโอปาปาติกะโยนิตด้วยกรรมสัมมาสังกัปปะสัมมากรรมตะสัมมาวาจาสัมมาอาชิวะในปัจจุบันเท่านั้นจิตจึงจะมีการเกิดชนิดที่เรียกว่านิพพติเป็นธรรมะขั้นโลกุตระสัจจะ ความเป็นจิตมีการเกิดใหม่จริงๆเป็นอุบัติเทพเทวดาโลกุตระซึ่งเป็นการเกิดของสัตว์โอปปาติกะโอปปาติกะโยนิที่ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถทําให้เกิดได้สู่โลกุตระภูมิได้ไปตามลําดับอุบัติเทพต่างจากสมมุติเทพต้องศึกษาให้สำ ม, มาทิฏฐิกันดีๆ จากอุบาติเทพเมื่อกำจัดกิเลสได้บริสุทธิ์ก็เป็นวิสุทธิเทพล้วนเป็นจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธในชีวิตคนเป็นๆ น, นี่เองคือเทพหรือเทวดาเทวดาที่กิเลสหมดจากจิตก็เป็นวิสุทธิเทพหรือพระพรหมจงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจตนเอง ที่ปฏิบัติสำเร็จถึงปานชนีให้ได้เถิดเทินไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งที่เป็นเอหิปัสสิโกบรรลุถึงความจริงนี้ได้เชิญให้มาดูของจริงได้เป็นสวาคขาตธรรมเป็นเรื่องของปัจจุบันแท้แม้ทุกวันนี้ก็เป็นไปได้ รู้แจ้งเห็นจริงกันได้หลัดหลัดต้องต้องศึกษากันดีๆเถิดจะได้บรรลุธรรมกันบ้าง